ทำอย่างไรจะได้ดีทุกชาติถามอย่าเป็นผู้ปลอดภัยในการเดินทางไกลทำอะไรในชาตินี้เราจะเป็นหลักประกันให้ใยดีได้ทุกชาติตอบพวกเรามาเกิดในโลกมนุษย์ก็ด้วยบุญเก่าแต่ก็น่าเศร้าครับที่โลกเนี้ยเหมือนกระดานเลื่อนที่ล่าลงต่ำง่ายๆมากกว่าจะเป็นกระไดให้กัดฟันไตขึ้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเราขอให้พิจารณาว่ามนุษย์6พันล้านคนก่อกรรมอย่างไรโดยมากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทั้งหลายก็แปรปรวนไปให้สอดคล้องตามนั้นเมื่อจะพลัดจับผูได้มาเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมตระหนักในโทษภัยของกิเลสและการเวียนว่ายตายเกิดผู้มีปัญญาส่วนใหญ่ จะเห็นความไม่แน่นอนเห็นตามจริงว่าแรงดึงดูดของกิเลสนั้นต้านทานได้ยากแม้แต่อยู่เฉยๆก็เท่ากับกําลังถอยหลังเข้าคลองไปเรื่อยๆไม่เชื่อลองดูเะครับเอาแต่พักผ่อนกินกับนอนอย่างเดียวโดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆจะเห็นชัดเลยว่าจะเกิดจิตคิดฟุ้งซ่านหรือหดหูเศร้าหมองปานใด แล้วใครจะเอาจิตฟุ้งซ่านและจิตหดหูไปใช้เป็นบันไดบุญสู่สุคติได้ไหวล่ะพุทธศาสนิกชนผู้เห็นตามจริงว่าตนตกอยู่ท่ามกลางพยันตรายจึงมักจะปรารถนาหลักประกันในการเดินทางไกลเกิดชาติหน้าชันใดขออย่าได้ะลายพลาดฟาดหัวลงต่ำเพราะแค่เห็นเห็นในชาตินี้ซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง ก็สะดุดขมามล้มลูกคลุกคลานกันนับไม่ท้วนแล้วแค่ตั้งคำถามชนิดที่ปรารถนาคําตอบว่าทำอย่างไรเป็นคุณทำอย่างไรเป็นโทษทำกรรมอย่างไรจะเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้เท่านี้ก็จัดเป็นกรรมชนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสอานิสงส์ว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากอันนี้ขอให้รองดูก็จะพบความสมเหตุสมผลยิ่ง เพราะใจคุณรู้จักตั้งคำถามที่ควรทราบคำตอบเป็นที่สุดจึงได้ชื่อว่าทำกรรมอันเป็นไปเพื่อความฉลาดสูงสุดโดยปริยายฉะนั้นใครสงสัยใครรู้ขึ้นมาจริงจงจังๆว่ากรรมใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดรวมทั้งได้คำตอบจากครูผู้รู้แจ้งเช่นพระพุทธเจ้าแล้วรวมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความมีใจศรัทธา ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเกิดใหม่คุณเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดปราดเปรืองแน่นอนทั้งนี้เพราะความแหลมคมแห่งปฏิพานก็ดีความลุ่มลึกแห่งความคิดอ่านก็ดีล้วนแล้วแต่ยืนพื้นอยู่บนความสว่างแห่งจิตที่รู้ถูกรู้ชอบตามจริงไม่ใช่ยืนพื้นอยู่บนความมืดแห่งจิตที่ถูกปกคลุมด้วยม่านบาปอันบิดเบี้ยวเลอะเทอะ เกี่ยวกับความปลอดภัยในสังสารวัฏพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในครั้งหนึ่งว่าถ้าคิดจะท่องเที่ยวเกิดตายไปเรื่อยๆแล้วที่จะหนีนรกพ้นนั้นมิใช่วิสัยเมื่อเห็นท่านตรัสเช่นนี้สิ่งที่เราควรตระหนักคือไม่มีอะไรประกันได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าเราจะอยู่ฝ่ายดีและมีสุขไปจนชั่วนิดนิรันร เว้นแต่คุณจะหาทางออกจากวังวนแห่งการเกิดตายซะได้นั่นแหละคุณต้องมองให้ออกว่ากำลังอยู่ในเกมแบบไหนกติกาคร่าวๆของเกมที่พวกเรากำลังเล่นกันยังไม่รู้อินโนอินเนคือหนึ่งการตายแล้วเกิดใหม่คือการล้างไพ่ทุนรอนที่คุณจะใช้ในเกมใหม่คือกรรมเก่าที่สั่งสมมา สองการตายแล้วเกิดใหม่คือการลืมคุณจะไม่รู้เห็นอะไรมากไปกว่าสภาพแวดล้อมใหม่ที่กรรมเก่าส่งคุณไปอยู่สามเกิดใหม่ในสวรรค์คือการตกรางวัลเกิดใหม่ในนรกคือการลงโทษเกิดใหม่ในมนุษย์คือโอกาสทั้งในแง่ของการต่อบุญและในแง่ของการแก้ตัว เมื่อทำความเข้าใจกับกติกาหลักๆทั้งสามข้อนี้แล้วก็จะได้ตั้งโจทย์เพื่อเตรียมสเสบียงให้ตัวเองอย่างถูกต้องต่อไปคือหนึ่งทำอย่างไรจึงจะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ดีคำตอบคือทำแต่กรรมที่ดีๆเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเรามีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นแดนเกิดฉะนั้นอย่าน้อยใจ และอย่าชะล่าใจกับกรรมเก่าที่ส่งเรามาอยู่กับพ่อแม่ดีหรือไม่ดีในชาติปัจจุบันอยากมีพ่อแม่แบบไหนในครั้งหน้าก็ขอให้ประพฤติตัวแบบนั้นมากๆไปจนชั่วชีวิตก็แล้วกันกรรมที่คุณทำเป็นอาชินนั่นแหละตัวเลือกแดนเกิดตัวเลือกเผ่าพันธุ์ใหม่ให้ 2. ทํทำอย่างไรจึงจะพบผู้ชี้นำทางถูกทางตรง คำตอบคือยอมรับผู้สอนการไม่เบียดเบียนเป็นสรณะใครสอนให้เบียดเบียนก็หลีกเลี่ยงเขาเสียโดยถือหลักการพิจารณาว่าการเบียดเบียนกันคือการก่อทุกข์ให้ผู้อื่นก่อนแล้วตอนหลังเรานั่นเองที่จะต้องเสวยทุกข์นั้นด้วยนอกจากนี้ก็ต้องตั้งคำถามอย่างไม่งมงายอีกข้อหนึ่งว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุด จากนั้นกำหนดใจเป็นแม่นมั่นว่าผู้ใดสอนเรื่องประโยชน์ขั้นสูงสุดเราจะคล้อยตามท่านผู้นั้นสำหรับชาวพุทธคงฟังเรื่องประโยชน์สูงสุดที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันชาติกันมามากนั่นคือการเข้าถึงความดับทุกข์ดับร้อนอย่างสนิทไม่กลับกำเริบอีกหากเราศึกษาแก่นสารของพุทธศาสนาได้อย่างท่องแท้ศรัทธาในพระพุทธเจ้า ก็จะตั้งมั่นและจะส่งผลให้ได้ไปพบพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปอีกหรืออย่างน้อยถ้าถือกำเนิดในการที่ว่างจากพุทธศาสนาก็เป็นต้องได้พบสัสดาผู้สอนการไม่เบียดเบียนยอมคล้อยตามท่านและประพฤติปฏิบัติตนตามท่านเป็นพื้นฐานให้มั่นคงแน่นหนายิ่งยิ่งขึ้นไปส ทำอย่างไรจึงจะสานึกผิดได้ง่ายคำตอบคือให้ไตส่สวนโทษของตอนเองบ่อยๆอย่ามันเพ่งโทษผู้อื่นจนติดเป็นนิสัยหรือเมื่อใดจำเป็นต้องเพ่งโทษผู้อื่นก็ควรน้อมมาพิจารณาว่าเขาช่วยเป็นกระจกเงาส่องให้เราเห็นตนเองหรือไม่ถ้าเห็นว่าน่าเกลียดหน้าชังอย่างไรก็อย่าทําอย่างนั้นหรือทาอย่างนั้นอยู่ ก็เลิกซะแน่นอนว่าการกระทาผิดคือเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่การสำานึกผิดคือเรื่องไม่ธรรมดาของมนุษย์บางคนที่จะได้ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยต้องขยายความกันอีกเล็กน้อยว่าเหตุใดจึงเป็นสเสบียงสำคัญกับเขาด้วยขอให้พิจารณาว่าทุกครั้งที่สำานึกผิดอย่างแท้จริง คุณจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนดีมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะทีละนิดทีละหน่อยแบบยอดเหรียญลงกระปุกในที่สุดก็กลายเป็นความดีกองใหญ่ขึ้นมาได้และกลไกธรรมชาติอันใดทำให้เราดีขึ้นได้ไกลไกธรรมชาตินั้นยอมนาได้รับการยกย่องให้มีคุณค่าสูงสุดมิใช่หรืออย่างไรก็ตาม แม้การสำนึกผิดจะเป็นของดีแต่ความรู้สึกผิด น, น, นานๆนั้นไม่ดีโดยเฉพาะที่รู้สึกผิดซ้ำซากชนิดแกะความทรมานใจไม่ออกนั้นแย่เลยครับขอเพียงมีความสำนึกผิดที่แท้จริงวูบเดียวเราตั้งใจแน่วแน่ ว, ว่าจะไม่ทำผิดเช่นนั้นอีกก็เป็นการเพียงพอแล้วนอกจากนี้ก็ควรหมั่นก่อแต่เรื่องดี แม้ความคิดอันดีงามเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรดูเบาควรสั่งสมเพิ่มพูนให้มากและแม้ความคิดชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรฉล่าควรตัดรอนลดละให้น้อยลงผมนับดูแล้วไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล็กสักอย่างถ้าคุณไม่รู้ตัวว่าคิดพูดทำอะไรเหลวแหลกเล็กๆน้อยๆอยู่บ้าง ก็เท่ากับคุณกำลังเสียงเท้ายื่นลงไปในปากเหวนรกแล้วเพราะคุณจะไม่มีวันทราบเลยว่าความเหลวแหลกเล็กๆน้อยๆ น, นั้นมันจะแปลงร่างจากมดเล็กเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นมาเมื่อใดกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จมลงในหนองน้ำแห่งบาปมิดหัวกันซะแล้วครับ